ก็ในคำสอนในคูทกานิกายอภท า, านท่านแสดงบอกว่าเมื่อบุคคลใดเลื่อมใสในพุทธเจ้าและพุทธคุณซึ่งเป็นอจินไตยล่วงวิถีแห่งจินตนาการสัมแดงมหาพานุภาพพาระานุภาพที่คาดไม่ถึงย่อมรักย่อมได้รับผลที่คาดไว้ถึงในคำนี้ท่านแสดงไว้ในอปท า, านที่บอกว่าเอวังอจินติยาพุท ธ, ธา พุทธธรรม า, าจินดียอจินติเยปัสนนานังวิปากโหติอจินติโยบอกว่าเมื่อบุคคลเลื่อมใสในพุทธเจ้าและพุทธคุณซึ่งเป็นอะจินไตแล้วร่วงวิถีแห่งจิตตนาการหรือแห่งจินตนาการหมายความว่าเราจะคิดยังไงก็ไม่หมดไงเป็นอะจินไตยริงจริยังห้คุณของพุทธเจ้า ทีนี้เมื่อเราคิดถึงคุณของบุคคลที่มีคุณมากขนาดนั้นตั้งสัตทินรีย์ไว้ในบุคคลที่มีอนุภาพมากขนาดนั้นพลานิสง์ก็จะสัมแดงมหาหรือพลานุภาพที่คาดไม่ถึงและก็ย่อมได้รับผลที่คาดไม่ถึงผลที่คาดไม่ถึงก็คือการเป็นปัจจัยการบรรลุการบรรลุมากผลเนี่ยอันนี้คาดไม่ถึงเลย ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมการคิดถึงคุณของพระเจ้าแล้วเป็นปัจจัยกับการบรรลุผลนั้นคาดไม่ถึงถ้าเรามองย้อนอดีตทั้งหลายบุคคลที่ได้บรรลุนในปัจจุบันนี้พบเนี่ยท่านล้วนแต่เคยเจริญพุทธคุณมาด้วยกันไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเจริญพุทธคุณท่านเหล่านั้นล้วนเคยเจริญพุพทธทานที่สุดกันมาอย่างยาวนานเนี้น ไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็ก็ต้องมานั่งคิดพิจารณาเพื่อจะได้เห็นคุณของพระบรมศ า, ศาสดาว่าพระาศาสดานั้นมีคุณที่ยิ่งใหญ่มีคุณที่มากมายเนี่ยเมื่อเราได้พิจารณาได้คิดในลักษณะอย่างนี้แล้วจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาตัวศรัทธาสติตัวศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญานี้เป็ น, นอินทรีย์นาะ ฉะนั้นอินทรีย์ห้าเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะทําให้เข้าถึงความเจริญงอกงามตัวนี้จะพูดถึงในเรื่องของศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและก็ปัญญาที่บอกความเรื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธคุณความเรื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมคุณความเรื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระสังฆคุณ ความสมบูรณ์ด้วยศีลคุณเป็นประทัดฐานแห่งโลกุตราสมาธินั้นอันนั้นคือความเปลียมล้นของสัจจินรีทีนี้การที่บุคคลเนี่ยนะมีความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวมีศรัทธาตั้งมั่นด้วยอำนาจแห่งอุปจารและสมาธิในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเป็นต้นเนี่ย โดยเฉพาะพุทธคุณที่เรากล่าวกันอยู่เนี่ยถ้าสามารถพัฒนาสมาธิจากคณิกสมาธิเป็นอุปยาแลสมาธิที่สมาธิของเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันเนี่ย ม, มันยังไม่เคยเดินได้พุทธคุณยาวๆแม้คณิกสมาธิก็ไม่ค่อยเดินได้เต็มสูบไม่ค่อยได้ต่อเนื่องแต่ถ้าท่านผู้ใดาสามารถเดินคณิกสมาธิได้ย่าอต่อเนื่องเริ่มยาวเริ่มเห็นคุณของพระบรมศาสดาชัดเจนขึ้น และในที่สุดจริงๆนั้นเนี่ยจากคณิกาสมาธิก็จะพัฒนาตัวเป็นอุปจารสมาธิถ้าได้ถึงอุปจารสมาธิเมื่อไหร่เนี่ยสมาธิานั้นน่าหน้าคิดมากหน้าโมทนามาจะมีคุณของพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในขณะที่เลื่อมใสในพุทธคุณมีติปิโสปะกวาทั้งสมาส ม, มุโทโธเป็นต้นเนี่ยสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่กับพุทธคุณนั้นเป็นเหมือนกันกับ กำลังเข้าอยู่ในสมาบัติถ้าได้อุปจารสมาธิอย่างนั้นแล้วถึงรู้ว่าความเป็นใหญ่แห่งศรัท ธ, ธากก่าวคือสัท ธ, ธินิสัยของบุคคลนั้นในขณะที่เลื่อมใสในพระพุทธคุณอยู่นั้นย่อมควบคุมจิตของตนได้แม้ในธรรมคุณสังฆคุณก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นปกติเนี่ยเราท่านทั้งหลายจะควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ บางทีมันแวบไปโน้นแวบไปนี้ใช่ไหมเราไม่เคยควบคุมจิตของเราเองได้เลยถ้าพูดตามภาษาอย่างที่เราเราพูดพูดกันก็คือว่าจิตไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ดัดเพรไม่ได้ฝึกไม่ได้ดัดเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เคยฝึกเลยใช่ไหม ปัจจุบันนะพบเนอะอดีตเคยอย่างยาวนานและเคยได้สมาบัติกันมาเยอะแยะแล้วแต่ด้วยกรรมที่เราทิ้งสมาบัติเหล่านั้นไปนเสร็จก็กลายมาเป็นกันอยู่อย่างเนี้ยทีนี้ถ้าหากว่าเราปัจจุบันถามว่าเอ๊ะทาไมเราซาสใจเลือเกินเนี่ยเพราะเรายังไม่เคยได้อุปจารสมาธิในพุทธคุณถ้าได้อุปจารสมาธิในพุทธคุณนะต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าคอนโทรลวิธีคิดได้แล้วแล้ว แล้วจะให้บอกว่าโอ้ยถ้าถามมาว่าในปัจจุบันเนี่ยสัตทินซีที่ตั้งมั่นโดยเฉพาะเป็นอุปจารและสมาธิเนี่ยถ้านนั่งนกันอยู่ถามว่ายมีใครก้าประกาศว่าเคยได้อุปจารละในพุทธคุณ <c oughs> แต่บางคนก็คิดได้นานจริงๆนะเขาติกพุทธคุณได้นานจริงต้องยอมรับว่าเขาสามารถอยู่เป็นชัวช่วโมงชั่วโงได้ จิตเขาไม่พากออกเ้าจะว่างเลยใช่อหมบางท่านเขาเป็นอย่ังนะใจเขามีความสึกนั่นแหละคือประทาฐานของสีสีละวิชุดที่เนี่ยนะก็เป็นประทาฐานของโลบุตราสมาธิก็มีพวกอาชีวธรรมกศีเป็นต้นหรือพวกปฏิโมกข์สงวรสีสีเหล่านั้นไม่มีตัณหามันที่ถี่เขาอินนิสัเพราะอันนั้นเป็นประทาฐานของโลบุตราสมาธิเลยใช่ไหม ศีลเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นไปเพื่อจะออกจากวตฏะแล้วไม่ใช่วิวัตคามินีกุศลและเป็นวิวัตคาหมินีกุศลเลยนั้นศีลเหล่านี้นี่แหละเาเรียกศีลวิสุทธินี่แหละที่พึงประสงศีลเหล่านี้ที่พึงประสงที่จะให้ตั้งอยู่ในกระแสของขันธ า, าตุยะัตถนานนในชีวิตจะถ้าเป็นไปเพื่อตัณหามานตาิติศีลเหล่านั้นไม่ใช่ศีลแล้ววิสุทธิอันั้นก็ก็ให้เข้าใจอย่น็นแล้วก็อันนี้มาสรุป อินรีวิร์ยอินรีก็ที่บอกว่าอินรีที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่บอกว่าเนื้อเลือดจะเหือดไปแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าอบายสังสารทิฏฐิและทุจริตในขันธสันดานของตนไม่สงบลงในพบนี้ เราจะไม่หยุดความเพี้ยนอย่างเงี้ยตั้ง้งอย่า ง, างจะไม่หยุดความเพียนแล้วอันนั้นเรียกสัมมารประธานอันนั้นเรียกมุ่งมั่นถ้ามุ่งมั่นอย่างนี้เพิ่งทราบว่าสัมมารประธานนั้นเป็นวิริยินรียีเป็นความพิเศษแห่งการปกครองของวิรยิยะตรงเนี้นะบุคคลนั้นก็ย่อมทําลายจิตที่มันคลุมคลั่งทั้งหลาย นั้เวรยินซีเนี่ยย่อมถูกรู้ว่าคนดีสัตบุรุษนั้นเนี่ยเขาก็จะควบคุมจิตของตอนเองได้ถ้าไปดูสัตบุรุษทั้งหลายในยจิตเขาจะเป็นแบบนี้เขาเขาควบคุมได้เขาเพียรละบาปใช่ไหมเพียรไม่ให้บาปเกิดเพียรเจริญเจริญกุศลเพียรในการที่จะทํากุศลให้เกิดขึ้นอ่งตอเ น, นื่กุศลที่ยังไม่เกิดเขาสามารถน้อมเข้ามาตัวจิตเขาถ้าลักษณะของสัตินซีก็ ถ้าในหมู่เครหัส่ายดุริยาบัชชิตเนี่ยนะถ้าระลึกในสติปัฏฐานถ้าดูตรงไหนดูตรงกิจในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยที่ชำนาญในส่วนสามดังที่ได้กล่าวแล้วพิจารณาเห็นกายในกายภายในมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิจาและโทมนัสในโลกเสดได้หนึ่งนี่ส่วนที่หนึ่ง พิจารณาหินกายในกายภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมานัตในโลกอยู่เนี่ยอย่างที่สองพิจารณาหินกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมานัตในโลกใช้ได้นี้อันนี้แปลว่าองค์คุณเนี่ยนะการเจ ร, ริญจิโรยฐานที่เป็นส่วนสามเนี่ยเริ่มดำเนินไปเป็นไปตามลำดับอย่างนี้เขาเรียกว่า บุคคล น, นั้นสามารถสงบระงับควบคุมจิตที่จะแล่นออกจากนอกวิถีได้ด้วยอำนาจของสตินสีนั้นถ้าอย่างนี้มีโอกาสบรรลุไม่บรรลุชาตินี้ก็ใกล้ถ้าไม่ใกล้ก็ปรารถนาอะไรก็ได้ปรารถนาอะไรก็ได้จะเป็นอะไรล่ะในวในเวาโพธิทั้งหลาย อสมาธินซีระวัดยังไงก็คือสมถะนี่นะนิมิต ท, ทั้งหลายเนี่ยนะมีอาณาปานาบป็นต้นเหไรเนี่ยยางตามที่สุดอุปจารละสมาธิของสมถะของสมาธินซีเนี่ยนะเพราะว่าถ้าไม่ได้เสพคุณอุปจาระสมาธิแล้วพวกกามาฉันทาพยาบาทีนะมีท้าอุทธจักกุกุกจักวิจิกิจัาจักไม่ระ ง, งับมันจะฟุ้ง แต่เมื่อจิตเป็นระดับอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะกดความพุง่งความกุ้มรุมในจิตนั้นเนี่ยให้สงบได้อย่างพิเศษอย่างนี้เขาเรียกเป็นสมาธินสิสความคุ้มคลั่งไม่เกิดแล้ยใชไหมเาเรียกว่าเริมนิ่งมากสมาธิเกิดพระเภทีว่าเจออารมณ์หนักๆ ก, ก็ไม่หลุดใช่เพราะถึงนั่นก็ชำนาญแล้ว ล่องอยอุปยาละเขาชนะเขาจะอาจจะพุ่งซันพุ่งท่านิดๆนิดนีไงแต่พอเขาได้จังหวะได้โอกาสได้เหตุปัจจยปุกถ้ามีมุมหลบมีมุมหลบมีมุมซ่อนตัวเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างนี้แด้ก็ดีเลยใช่ไหมประการต่อมาก็คือว่า การรู้สัจจคติทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรี่ประเสริฐเนี่ยสามารถจะหลุดพ้นได้จากทิฏฐิทุจริตทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิหรือทุจริตทั้งหลายที่มีความเข้าใจผิดในกระแสะของขันธะอยธนายตนะเนี่ยที่มันออกไม่ได้มันหลุดไม่ได้ก็เ พ, เพราะมิจฉาทิฏฐิเรียกตามภาษาที่เราศึกษาพระธรรมเงี้ก็เรียกว่าจักระยาทิฏฐิ นั้นมาดาศักายาติทิฏฐิทั้งหลายที่เ็เรียกว่าทิฐิทุจริตเนี่ยทีนี้ถ้าถามว่าถ้าตราบใดนะถ้าเราไม่เจริญปัญญีสามารถที่จะละแบบระทังค้านะถ้าทำละแบบระทังฆาประหารได้เนี่ยเยขาเรียกอบายอบายอบายบายะวิสุทธิได้ เออเขาเรียกว่าอบายสังสาระหมายความว่าถ้าจเจริญปัญญรีเนี่ยได้ระดับทิฏฐิวิสุทธิการขาวิจารณนิวิสุทธิเนี่ยนะเขาบอกปิดอบายได้ปิดอบายสังสาระได้พบหนึ่ง <c oughs> ได้พบเดียวไม่ได้พบต่อไปเนี่ยไม่ไค้เกิดหรอกเพราะคุณทําวิปัสสนาญาณได้เนี่ยใช่ไหม อบายะสังสาระจะไม่ไปในในพบถัดไปก็ยังน่าชื่นใจ<笑><笑>ก็คือมั่นใจได้ไนงะในพบถัดไปไม่ล้งอบายภูมิถ้าได้นะก็ต้องเนี่ยปัญญีสีเนี่ยจะต้องเข้าไปเห็นอริยสัจเนี่ยวิจัยอริยสัจจนทิฏฐิทุจริตทั้งหลายสกิรัทิฏฐิทั้งหลา ย, ย, ลายมันกระจายตัว มันไม่เข้ามาห่อหุ้มในใจแล้วเข้าใจแล้วเห็นเห็นด้วยความเป็นด้วยความบริสุทธิ์แล้วปราชจากละอองหรือฝ้าทั้งหลายจะมาคุมก็เห็นชัดและเข้าใจในความเป็นคำประกตาก็ชัดในความเป็นนามรูปก็ชัดในความเป็นขันท่าไดยัตนาก็ชัดเข้าใจสัตว์บัญญัติไม่หลงทั้งปรมัศน์และบัญญัตินี่นะถ้าเข้าใจอย่างนี้นะและไม่เสื่อมก่อน ที่ไม่ทำกรรมหรอกพวกนี้กุศลดีมากเลยสุดนี่ก็ได้หนึ่งพบในชั้นคำสอนเ็าเรียกจุฬโสดาบันเนี่เป็นพระโสดาบันน้อย <c oughs> เอาลก็มันไม่ได้ให้ได้แค่นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมโกนไม่ได้ใช่ไหมไวไปหลงลอะไรเยอะแยะหมด ตรงนั้แหลคือคือในด้านข้อยินสี่ทั้งห้าครับทีนี้ก็มาพิจารณาบอกว่าในการที่พยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าเป็นต้นเนี่ยเพื่อและในสุ่ดจริงๆก็มีการวิจัยใค่ควรพิจารณาในพระธรรมคําสอนเป็นต้นเพื่อต้องการที่จะละจิตที่วิปริตผิดเพี้ยนทั้งหลายเพื่อต้องการจะตัดนะสังสารวัตรให้สงบลงให้ได้ ท่ความวิปลิตก็คือการยึดถือทำที่ไม่งามว่างามทำที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงทำที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขทำที่ไม่เป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละและความไปเข้าใจในสัตว์บุคคลแล้วว่าเป็นของที่มีอยู่จริงสิ่งที่ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พระอินไม่ใช่พระพรหมไม่ใช่มนุษย์เป็นต้นเหล่าเนี้ยนะว่าเป็นพระอินหรือเทวดาเป็นพรหมเป็นต้น สิ่งที่ไม่ใช่สตรีบุรุษวัวควายช้างมาเป็นต้นเอย่านี้ว่าเป็นบุรุษช้างมา้าหัวควายการที่ไปเข้าใจไปลุ่มหลงในบัญญัติและลุ่มหลงในปรมัตดเมื่อไปเรียนเรื่องขันก็ไปยึดเรื่องขันโูกเวลานาสัญญาเหมืกันโมหะก็ไปปิดปรมัดก็อีกแม้เข้าใจบัญญัติว่าเป็นลูกเป็นสามีเป็นเรรยาก็ยึดติดกันอยู่นั่นแหละแกะก็แก้ไม่ได้ยังไงนะ ลักษณะอย่างนี้เพราะเป็นความวิปริตเป็นการยึดถือกันอย่างตรงกันข้ามกับความเป็นจริงความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ด้วยความวิปริตมนุศิการของสัตว์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานก็ไปยึดคาสอนในลักษณะอย่างนี้ถ้าคนโดยทั่วๆไปทางโลกเขามองว่าเอออย่าไปเรียนมากนะ ถ้าเสพคุณอย่างนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะไม่มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องซึ่งไม่ใช่มันต่างอยากรัฐที่อื่นคำสอนของพระเจ้านั้นต้องการให้รู้ว่าใช่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีอยู่จริงนะโดยสมมติแต่ไม่ใช่มีอยู่จริงโดยสภาวะประมาหนึยงเพราะแท้ที่จริงก็คือรูปเวทนาสัญญาสัญการวิญญาณแท้จริงก็คือตาหูจมกูกเล่นกายใจเท่านั้นที่มันมาประชุม มาจากกรรมที่เกี่ยวข้องกันแล้วเมื่อหดหมดเหตุห ม, ห, ตหมดประจัยมันก็หมดทีนี้พอมาเกี่ยวข้องกันเบีดเสร็จแล้วสัตว์นั้นมีวิปลิตมนุิการก็ไปยึดว่ามันเป็นของจริงและในสังสารวัตที่ผ่านมามันเป็นอย่างเนี้ยก็ยึดยึดติด ก, กันอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็แกะไม่ออกเขาจะบอกเจอเครื่องพานาการห้ามหันแล้วแล้วเครื่องพานาการคือความเป็นพ่อเป็นแม่ เครื่องพนันการเพราะเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเครื่องพนันการเพราะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนพ้องเครื่องพนันการโดยการที่เป็นโดยโดยฐานะว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานเครื่องพนันการตัวสุดท้ายจริงๆเขาเรียกพวกกรรมคุณทั้งหลายพวกกิเลสทั้งหลายอันนั้นเป็นเครื่องพนันการที่ท่านกล่าวว่าแล้วถูกเครื่องพนันการเหล่าเนี้ห่อหุ้ม และในจุดจริงเราก็ออกจากเครื่องพนันาการเหา่ันเนละนี่คือเรียกเครื่องพันันการมันเขาเรียกวาวิปริตรมาตรการทีนี้ถ้าหากว่าคันหลุดพ้นจากจิตที่คิดวิปริร์ตอย่างนั้นแล้วก็ย่อมเป็นสัตว์บุรุษผู้มีความสามารถที่จะควบคุมดูแลจิตตนเองได้แล้วก็จะเข้าใจความจริงในอริยสัจที่พระบรมศาสดาทรงตรัสและก็สอนไว้ถ้ารู้ทุกขสัจจะอย่างนี้แล้วสัจ สามก็จะเข้าใจได้ไม่ยากไม่ยากก็หมายความว่ารอบรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมการรอบรู้ทุกข์สัตว์เนี่ยวิจัยทุกข์สั ต, ตว์ด้วความเป็นชาติทุกขชราทุกขพยาทิทุกขมรณะทุกข์เป็นที่ตั้งของโสกาวรีเดวะทุกขโทนะสาวพาญาติซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเห็นโทษจนเห็นโทษของสังขาร อย่างรุนแรงเออในมิรินถ้าปัญหาเนี่ยท่านกล่าวเกี่ยวในเรื่องของตรงนี้กขาไว้เออท่านกล่าวเกี่ยวในเรื่องของว่าจะยาวหน่อยยาวไม่ที่จะหมดเวลาเนี่ยเวลานี้ผมท่านกล่าวเรื่องสภาวะของนิพพานเขาไว้พระยามิรินถามว่าท่านนาเกษบอกว่า พระนิพพานเนี่ยตามว่าสภาวะของพระนิพพานเนี่ยเป็นอย่างไรในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเนาะคืออธิบายเกี่ยวในเรื่องของสภาวะของพระนิพพานเพื่อให้รู้ว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ดับทังขานทั้งปวงนั้นอย่างไรทีนี้ ที่บอกว่านิพพานไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ใช่สิ่งที่อาจจะทําให้เกิดขึ้นได้บอบว่คนเจ้าหน้าเกษตรบุคคลใดบุคคลหนึ่งในโลกนี้ปฏิบัติชอบก็ย่อมจะกระทําพระนิพพานให้แจ้งได้บุคคลนั้นกระทําพระนิพพานที่เกิดขึ้นแล้วให้แจ้งเมื่อไหรหรือกระทำพระนิพพานที่เกิดขึ้นแล้วจะกระทําให้แจ้งเล่า พระนาคเกษนบอกขอถวายพระพรมาหาบ่อพิษบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติชอบก็ย่อมกระทําปฏิพาณให้แจ้งได้บุคคลนั้นหาได้กระทำปฏิพภาณที่เกิดขึ้นแล้วให้ให้แจ้งไม่หาได้กระทําปฏิพาณนีน้เกิดขึ้นแล้วจึงกระทําให้แจ้งไม่กระถามบอกว่าโปรดอย่าแสดงปัญหาปิดปิ ด, ปดบังๆพระนาคพระยาเมลินบอกว่าโปรดเกิดฉันทะบอกงั้นเกิดอุตสาหะแสดงอย่างเปิดเผย อย่างปรากฏขอจงเปิดเผยพันธิภัณฑ์ที่ท่านได้ศึกษามาให้หมดเถิดในเรื่องพันธิพัณน์นี้ยังมีคนลุ่มหลงเกิดความคลางแคลงใจเข้าสู่ความสงสัยกันอยู่ขอท่านจงหักลูกศรที่เสียบอยู่ภายในใจข้อนี้เสียก็เอาลูกศรนี่คลางแคลงใจเกี่ยวกับเรื่องของพันิพัณฑ์เนี่ยออกเสียจะเป็นบุคุณมากนะพระน่าเกษมเราขอถวายพระพร นิพพานธาตุเนะี่ยที่สงบเป็นสุขปรนนีจะมีไหมมีมีอยู่นิพพานธาตุเองเป็นธรรมที่ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็ตนต้นมีอยู่แล้วก็สงบด้วยสงบเฉกเยิ่งแลยกันฮ้และปรนนีมีอยู่ไม่มีบุคคลผู้ปฏิบัติชอบผู้ได้พิจารณาสังขารทั้งหลายตามที่พระบรมเมสสศาสดาทรงอนุสาทรงสั่งสอนไวย้ย่ำกระทํำปฏิภาณใหแจ้งด้วยปัญญาไนดะ้เห<พ>็นไหม<พ>การจะทําให้แจ้งพระนิพานด้วย ได้นั้นนะต้องพิจารณาอะไรต้องพิจารณาสังขารเห็นโทษของสังขารเห็นความไม่งามเห็นความไม่เพลิดเพลินเป็นต้นของสังขารทีนี้ขอถวายพระพรเปลี่ยนเสมอนลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติชอบตามคำที่อาจารย์อนุศาสตร์หรือสั่งสอนไว้ก็ย่อมทำวิชานั้นให้แจ้งโดยปัญญาได้ชั้นใด บุคคลผู้ปฏิบัติชอบตามที่พระชินวรวัฒพุทธเจ้าทรงอนุาสาดไว้ก็ย่ำกระทำพปะนิพพานนี้แจ้งด้วยปัญญาฉันั้นเหมือนกันก็บัณฑิตเพิ่งเห็นปรนิพพานนั้นอย่างไรเพิ่งเห็นบอกว่าหาเสนียดไม่ได้ท่านไหนพระนิพพานไม่มีเสนียดหาอุปัทถวไม่ได้อุปัตะวในที่นั้นต้องวงเล็บว่าได้แก่พยานอันตรายไม่มีอันตรายเลยใช่ไม้ม ทุกวันเนี่ยอันตรายเต็มหมดไหมเนี่ยการที่เราจะต้องมีตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยมันเต็มไปด้วยอันตรายไหมอันตรายเต็มไปหมดหาภัยไม่ได้กเกยมว่าสงบว่าเป็นสุขว่าหน้ายินดีปณิตสะอาดแล้วก็เยือกเย็นสภาวะของพนิพพานเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นบรมสุขจริงๆ ทีนี้เขาบอกขอถวายพระพรเปลี่ยนเสมือนว่าบุรุษคนหนึ่งกำลังที่จะถูกไฟที่ลุกติด ก, กองไม้ทั้งหลายเนี่ยเผาอยู่ในขณะที่เขากำลังจะอยู่ในกองไฟเขาก็ใช้ความพยายามเขาทั้งหมดที่มีอยู่เรียวแรงทั้งหมดที่มีอยู่หนีพ้นออกจากกองไฟนั้นได้และเข้าไปอยู่ในโอกาสที่ปราศจากไฟแล้ว เขาก็ได้รับความสุขอย่างยิ่งอยู่นะที่นั้นชั้นใดขอถวายพระพระนั้นบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุคคลนั้นก็ย่อมใช้โยนิโสมณิสิการนั่นแหละเป็นฐานปั้งมาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่จุดปฏิบัติตามมาทำคำสอนมีสติปฏัฏฐานสมาปรานมิตรเนี้นะเนี่ยมาเสริมตามก็พอทำนะให้เข้าใจาเพ่อจะกระทํา น, นิพพานเป็นธรรมที่ปราศจากความเร่าร้อนจากกิเลสสามกองคือราคาโทสโมหะ อันหาสุขอย่างยิ่งให้แจ่มแจ้งฉะนั้นเหมือนกันถามว่าไฟคือราคาไฟคือโทสะาาไฟคือโมหะไฟคือชาติชลามรณโะโสกอริเดวะทุกขโทรมณรณะสาอุปายาตเนี่ยตอนนี้เรากำลังถูกไฟเผาอยู่เนี่ยถ้าเราฉลาดเราก็วิ่งออกจากกองไฟนี่ได้ใช้ความพยายามเรี่ยวแรงที่มีอยู่วิ่งออกจา ก, กองไฟได้ แต่ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราจะออกจากไฟเหล่านี้ได้นั้นก็จะต้องเดินตามพระธรรมท่านเนี่ยนะนี่พระธรรมท่านมีอยู่ทางมีอยู่ผู้บอกมีอยู่เนี่ยถ้าเราวิ่งตามท่านจริงๆเราหย อ, อกจากไฟตรงนี้ได้ตามถ้าออกไปได้จะมีความสุขไหมมันจะสงบและเยือกเย็นมากหาอุปธวาอันตรายไม่ได้หาไผ่ไม่ได้กเกษมด้วยสงบด้ว ย, วยเป็นสุขด้วยหน้ายินดีประณีสะอาดแล้วก็เยือกเย็นด้วยและหน่าอยากออกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหม มันก็น่าอยากออกเพราะเป็นสภาวะที่น่ายินดีทีนี้ขอถวายเพราะพระพรบุคคล น, นั้นเห็นกิเลสสามกองดุดไฟสามกองคือราคาโทสามโมหะนี่นะเหมือนไฟสามกองทีนี้ออกจากไฟสามกองก็เป็นอันสุขอย่างยิ่งไปให้แจ้งได้ฉะนั้นเหมือนกันขอถวายพระพ์กิเลสเนี่ยนะบุคคลเห็นกิเลส ดุดไฟสามกองว่าเป็นดุดกองไฟเถิดบอกให้เห็นอย่างนั้นเถิดเมื่อบุคคลเห็นว่าราคะโทสะโมหานี่เป็นไฟสามกองจริงๆเห็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะเพิ่งเห็นบุคคลผู้ปฏิบัติชอบว่าเป็นดุดบุรุษผู้ตกอยู่ในกองไฟนั้นต้องเห็นพระนิพพานว่าเป็นดุดโอกาสที่ปราศจากไฟฉะนั้นเห็นไหมว่าถ้าอยู่ในไฟเนี่ยออกจากไฟได้นั่นแหละคือพระนิพพานถ้าอยู่ในไฟอยู่อันนั้นไม่ใช่อันนี้เหมือนกัน ถ้าอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่อันนั้นเขาเรียกว่าอยู่ในกองไฟออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างถาวรนั่นเขาเรียกว่าพ้นจากไฟนั่นคือสภาพของพระนิพพานว่าโอปปามานนี้พอเห็นชัดไหมไม่ชัดท่านบอกถ้าอย่างนั้นท่านอุปมาอีกอย่างหนึง่งเปรียบเสมือนบุรุษคนหนึ่งตกอยู่ในกองซากงูซากไก่ซากมนุษย์ กองกกดธาตุอันเป็นของเสียจากร่างกายกองซากศพทั้งหลายนั่นแหละถ้าเราไปถูกจับโยนลงในเหวมีได้ซากงูซากไก่ซากสุนนะัขกองซากศพเข้าไปในระหว่างสถานที่มีแต่ซากศพ ส, สมหยุ่เกลื่อนกลนไปหมด ถ้าบุรุษตาดีเนี่ยเขาจะนอนอยู่กับซากเรานั้นไหมมีคนตาบอดเท่านั้นแหละใช่ไหมถึงจะอยู่ที่ตรงนั้นเพราะไม่รู้จะไปยังไงก็ผมคนเล็บันหนังเนื้อเอ็นกรดูกเยื่ในกระดูกเป็นต้นเหล่านี้อันนี้คือซากศพขันทั้งหลายท่าทั้งหลายอายตนะทั้งหลายที่กําลังหมุนไปในสังสารวัฏเนี่ยคือซากสัตว์ทั้งหลาย มีซากงูซากสุนัขซากอะไรสิงอยู่เต็ไมไปหมดแล้วไม่อยากออกวันเขาเดินออกกันหมดแล้วคนตาดีอะ่ะเอาถ้าเห็นอย่างนี้ยังจะหน้าอะไรไหมหน้าวอนไหมยอยากจะโทรหาหราบสัตว์บ้างหนึ่ง <laughs> ฮัลโหล ไม่อยากโทรเลยใช่ไหมถ้าเห็นอย่างนั้นจริงๆี่ะต้องการไม่เห็นดิสิใช่ไหมมองไงก็ไม่เห็นมันถูกอะไรปิดไว้ถูกอาพรอนทั้งหลายปกปิดไว้ถูกเครื่องประดับทั้งหลายปิดไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตาก็ไม่ดียแยกแยกไม่ได้ไม่สามารถเห็นรอยนิ้วรอยต่างๆเหล่า น, นั้นที่ย่นต่างๆแบบนี้ได้คือไม่สามารถที่จะ ใช้ครวนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นได้ทีนี้ถ้าเขาเห็นอย่างนั้นมันเกลือกล่อนกลนไปนั้นเขาจะใช้ความเพียรความพยายามเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีอยู่นี้พ้นจากสถานที่นั้นไปได้เข้าไปสู่โอกาสที่ประะาศจากซ า, ส, า, ส, าสัจซากเสบเหล่านั้นแล้วได้รับความสุขอย่างยิ่งอยู่หน้าสถานที่นั้นแม้ชั้นใดขอถวายพระพรบอกว่า บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติชอบบุคคลนั้นก็ย่อมใช้โยนิสมในสการกระทำวินิพันี่ยเป็นธรรมที่ปราศจากซากศพคือราคาโทสะโมหะเป็นต้นหรือเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นต้นเน่ยให้แจ้งได้ฉะนั้นเหมือนกันท่านกบอกว่าขอถวายว่าพรนะกรรมมคุณให้น่ะเหมือนซากศพรูปเหมือนซากศพเสียงก็เหมือนซากศพกลิ่นก็เหมือนซากศพ รถก็เหมือนซากศพโพธิภพาทั้งหลายก็เหมือนซากศพวัตถุกรรมทั้งหลายเหล่าเนี้ยเป็นซากศพถ้าโดยสํานวนแล้วหมาบ่อพิษจะมานอนเกาะซากศพอยู่ทําไมจะไปชื่นชมซากศพอยู่ทําไมทําไมไม่รีบหนีออกมาเสียเริ่มตน้นก็นคือพาด ก, กายออกมาก่อนมันยังมองไม่เห็นถ้าไปอยู่กับมันอยู่อย่างเนี้ยมันจะคิดออกไหมเนี่ยก็คิดไม่ออกอีก ใช่ไหมต้องรู้จักภาคบ้างเพราะเราอยู่กับงั้นจะมองไม่ออกแล้วเนะนัวเนียไปหมดแล้วนุ่งนังไปหมดแล้วยุ่งเหยิงไปหมดแล้วสางไม่หลุดแล้วที่แน่ๆก็คือตัดออกมาก่อนเดินออกมาก่อนหายใจโลง่ลงๆแล้วค่อยๆไปดูใหม่ตอนนี้มันยังหายใจไม่โล่งเลยใช่ไหมให้มันหายใจโลง่ลงๆแล้วก็ มาฟังว่าทำขัดเกลาพอเกิดปัญญาหน่อยลังย้อนกลับไปดูทีว่าเราอยู่กับอะไรมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราอยู่กับซากศพเพิ่งเห็นบุคคลผู้ปฏิบัติชอบว่าเป็นบุรุษที่ตกไปในซากกองซากศพนั้นเห็นพระนิพพานเป็นดุลโอกาสที่ปราศจากซากศพฉะนั้นเถิดให้เห็นอย่างนั้น อ้าว้ยังไม่พอดูอีกดูอีกวิจัยพอทชไมวิจัยต่อไปอีกจะได้ชัดวิจัยก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งเนือเปรียบเสมือนบุรุษคนหนึ่งกลัวภัยสะดุ้งแล้วก็หวาดกลัวมีจิตวิปริตวุ่นวายมากวิปริตมนาสิการเกิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะก็ใช้ความเพียรพยายามหนีออกจากสถานที่นั้นเพราะกลัวไงที่นั้นน่ากลัวมาก อยู่ไม่ได้น่ากลัวมากก็ไปสู่สถานที่ที่แข็งแรงมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่มีภัยได้แล้วก็ได้รับความสุขอย่างยิ่งณนะสถานที่นั้นชั้นใดขอถวายพระพรนะบุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติชอบบุคคลนั้นย่อมใช้โยนิโสมนัสิการเป็นต้นดำเนินตามสติปทานสมมารประธานอิธิบาทอินทรพระพุทชงมรกแปด การทำพระนิพพานยันเป็นธรรมที่ปราศจากภัยปราศจากความสะดุ้งเป็นธรรมที่มีความสุขและทำให้แจ้งฉันนั้นเหมือนกันท่านก็บอกขอถวายพระพรให้เห็นนะว่าชาติคือการเรวจชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะคือความตายความโศกความร่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นต้นตามลำดับเนี่ยเป็นดุดไทย เพงเห็นบุคคลผู้ปฏิบัติชอบว่าเป็นบุรุษผู้กลัวภัยให้เห็นพันิพานว่าเป็นดุษสถานที่ที่ไม่มีภัยฉะนั้นเหมือนกันเถิดให้เห็นอย่างนั้นถามว่าถ้าเราไปอยู่ในดงของชาติชราพยาธิมรณะความโศกความล่ําไรลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจความทับแค็นใจอยู่เนี่ยมันจะหาความสุขยังไงเนี่ยมันก็จะมีแต่วิปริตพความณวาดวัน หวาดเสียวมันอยากจะออกบ้างไหมแล้วเราคิดไหมว่าเราอยู่ในดงเหล่านี้จริงๆถ้าคิดว่าอยู่ในดงสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆใจมันต้องหัวนอยากออกโหยหาอยากออกน้อมนี่จะอยากออกใครควรพิจารณาแล้วแล้วเราเร า, าว่าอยากจะออกจริงๆจะเห็นว่านิพพานเป็นที่พึ่งเป็นศาสนเป็นเกื้อนุับจบัดไทยแต่ที่อยู่นี้ไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่สาสนไม่ใช่เกืเ้อหนุนบำบัดไทยน่าหวาดเสียวมากน่าหวาดกลัวมาก เราอยู่ในสิ่งที่มีภัยเต็มไปหมดทุกทิศเลยที่มันโถมเข้ามาอยู่ทุกจุดของอนูของขันธะตยตนะเนี่ยแม้ขันธะตยจนานี้มันก็คือภัยเราดีๆเนี่ยนะอีกอย่างหนึง่งบุรุษคนหนึ่งนะตกไปในที่ที่เป็นแอ่งโคนตมแล้วก็เลอะเทอะสกปรกถามว่าถ้าตกลงไปในะที่อย่างนั้นเขาจะทำยังไงนอนแช่ในหลุมคูดหลุมมุ่ยะละ หลุมปัสวะหลุมน้ำคำําเขาจะนอนแช่ไหมเขาก็ต้องดิ้นลนเระกเสือกระสนไปยังสถานที่ที่สะอาดใช่ไหมปราศจากมลทินดังที่ได้กล่าวเพื่อความสุขอย่างยิ่งอยู่ณนะสถานที่นั้นชั้นใด